เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นเวลาที่ที่สิบม ก, กราคมพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทรัพย์ใยในที่พวกเราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วชีวิตของพวกเราไม่ได้สิ้นสุดที่การตายของร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้ไม่ใช่ตัวจริงของจริงของเรา ตัวจริงของจริงของเราก็คือใจแต่ใจเป็นสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นกันเราเห็นแต่ร่างกายและเราใช้ร่างกายรับใช้เราทําอะไรต่างๆจนทําให้เราหลงคิดไปว่าเราเป็นร่างกายไปแต่ร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้หลมไฟ ทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็คอยรับคําสั่งจากใจคือความคิดของพวกเราก่อนที่เราจะใช้ร่างกายให้ทำอะไรได้เราต้องคิดก่อนเช่นวันนี้ญาติโยมจะมาวัดก็ต้องสั่งต้องคิดก่อนว่าวันนี้จะมาวัดมาทำบุญพอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายลุกขึ้นมา แต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำอาบท่าเตรียมข้าวเตรียมของแล้วก็ออกเดินทางมาที่วัดกันใจเป็นผู้สัง่งใจเป็นผู้ทำกิจกรรมต่างๆแต่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมื อ, อผลของการกระทำก็จะเกิดขึ้นที่ใจเป็นหลักผลที่เกิดที่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผลสำคัญ ผลสำคัญนี้เกิดขึ้นที่ใจก็คือความสุขหรือความทุกข์ความเจริญหรือความเสือ่อมอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการคิดของใจแล้วก็ทําสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆถ้าคิดดีสั่งให้ร่างกายพูดดีทดําดีผลดีก็จะตามมา เ่นวันนี้ยาติโยมคิดดีคิดมาทำบุญคิดมาแบ่งปันคิดมาเสียสละสิ่งของเงินทองที่มีพอที่จะแบ่งให้กับผู้อื่นได้ก็คิดถึงพระสงฆ์องค์เจ้าก่อนเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้านี้เป็นผู้ที่จะนำพาชีวิตของเราให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไป ถ้าเราขาดพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็จะไม่มีผู้นำทางพระสงฆ์องค์เจ้านี่เหมือนกับไกด์เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเรามักจะต้องมีไกด์ไกด์เขาจะได้พาเราไปตามสถานที่ต่างๆถ้าเราไม่มีไกด์เราก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีเดินไปเดินมาก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรที่ควรจะเห็น ชั้นใดพระสงฆ์ อ, องค์เจ้าก็เป็นเหมือนกับผู้นำทางนำทางพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่การสิ้นสุด ข, ของการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่การสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ทั้งหลายต้องมีพระสงฆ์ อ, องค์เจ้าเป็นผู้นำพาไปพวกเราจึงมาทำบุญกับพระสงฆ์ อ, องค์เจ้าเพื่อจะได้สนับสนุนให้ท่านมี ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่ท่านจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติขนทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ศึกษาให้ปฏิบัติพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วท่านก็จะรู้จักทางที่จะพาให้ตัวท่านเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้ไปถึงพระนิพพานที่สิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวและเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงเพราะเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราหากันผ่านทางร่างกายความสุขนี้เป็นเหมือนขวัญไฟเวลาได้เสยบได้สัมผัส สิ่งที่เราอยากจะเสพอยากจะสัมผัสก็เกิดความสุขขึ้นมาพอเราหยุดเสพหยุดสัมผัสความสุขที่ได้นั้นก็หายไปเมื่อคืนนี้เราไปเที่ยวกันเราก็มีความสุขกันพอวันนี้ตื่นขึ้นมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดนี่คือความสุขที่ไม่ถาวร และเป็นความสุขที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ตามมาเพราะว่าจะทำให้เราอยากได้ความสุขอยู่เรื่อยๆพอเกิดความอยากใจของเราก็ต้องทลุทนทุลายกวนกาวยกระสับกระสายเพื่อที่จะไปหาหรือไปทำตามความอยากถ้าได้ทำก็มีความสุขไปชั่วคราว ถ้าไม่ได้ทำก็จะมีความเสียใจมีความหงุดหงิดมีความไม่สบายใจนี่คือความสุขที่พวกเราหากันพระพุทธเจ้าก็เคยหาความสุขแบบนี้แต่ท่านเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะต้องหาอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอได้มามากไดมาน้อยเท่าไหร่ก็ไม่พอ ถ้าไม่มีความพอก็จะไม่มีความอิ่มถ้าไม่มีความอิ่มก็จะไม่มีความสุขเพราะพทธเจ้าจึงทรงสละราชสมบัติสละความสุขที่ทรงหาผ่านทางร่างกายแล้วก็ไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ ทำให้ใจมีความอิ่มมีความพอไม่มีความหิวไม่มีความอยากต้องการอะไรไม่ต้องไปขวนขวายไปหาอะไรถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินไม่มีทองอยู่แบบคนยากคนจนแต่ใจกลับมีความสุขมากกว่ามาหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเพราะว่าใจนี้อิ่มตลอดเวลาสุขตลอดเวลา ส่วนราเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนี่ใจไม่อิ่มใจไม่พออยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกอยากจะรักษาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไปจึงทำให้ใจรีมีความวิตกความกังวลมีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆเวลามีเหตุการณ์ ที่จะมากระทบกับทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ก็ไม่สบายใจนี่คือความสุขที่เราหากันผ่านทางร่างกายเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขประเดียวประดาแล้วก็เป็นความทุกข์เสียมากกว่าเพราะจะต้องคอยมาวิตกกังวลว่าจะสูญเสียความสุขเหล่านี้ไปเมื่อไหร่ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆนั้นเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นไม่ได้อยู่กันกับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปเวลาที่เราจากกันเราเป็นยังไงเราดีใจหรือเราเสียใจนี่คือสิ่งที่ พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขพระพุทธเจ้าก็เลยสละราชสมบัติสละความสุขของพระราโจรดแล้วก็ไปหาความสุขของนักบวชของสมมณัโคโดมไปอยู่แบบขอทานวรเช้าก็ถือบาตรเข้าไปในหมู่บ้านรับอาหารตามมีตามเกิด อาหารที่ได้ก็เป็นอาหารธรรมดาอาหารของคนยากคนจนแต่พระ อ, องค์กับไม่ไม่เดือดร้อนกับอาหารเพราะทรงรับประทานเพียงเพื่อให้อยู่เท่านั้นไม่ได้รับประทานเพื่อความสุขอาหารนี่ความจริงมีหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายของเราเท่านั้นเองรักษาร่างกายของเราไม่ให้อดยาขาดแคลนไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ให้อยู่ไปวันวันหนึ่งไม่จะเป็นจะต้องเป็นอาหารพิสดารอาหารมีราคาแพงแพงเพราะว่ามันก็เป็นอาหารเหมือนกันทำหน้าที่ได้เหมือนกันอาหารมื้อละห0บาทกับอาหารมื้อละห0 0บาทก็ทำหน้าที่เหมือนกันทำให้ร่างกายอิ่มทำให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจากการขาดแคลนอาหาร ทำให้ร่างกายอยู่ได้คนจลาดจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารเอาแบบตามมีตามเกิดพระพุทธเจ้าเคยอยู่ในวันเคยรับประทานอาหารแบบของพระราชโอรสแต่พอออกบวชพระ อ, องค์กับไม่สนใจพระ อ, องค์พอใจกับอาหารที่ได้จากการบิณฑบาต เพราะท่านไม่ต้องการความสุขที่ได้จากการรับประทานอาหารเพราะมันเป็นความสุขปลอมเวลาได้รับประทานอาหารตามใจอยากก็มีความสุขแล้วพออิ่มแล้วความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็เกิดความอยากที่จะรับประทานอาหารที่ถูกใจอีกพอไม่ได้รับประทานอาหารที่ถูกใจแทนที่จะมีความสุขทีนี้กลายเป็นมีความทุกข์เสียแล้วพระองค์ทรงเห็นว่า การรับประทานตามมีตามเกิดนี้สบายที่สุดกินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อความอยากเมื่อไม่มีความอยากแล้วจะกินอะไรก็เหมือนกันทำให้ร่างกายอิ่มทำให้ร่างกายไม่หิวก็พอแล้วนี่คือการหาความสุขทางจิตใจก็คือต้องกำจัดความอยากต่างๆ เพราะความอยากนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเรานั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าจึงต้องใช้บัตรการต่างๆเพื่อทำลายกาจัดความอยากให้หมดไปจากใจพอทาลายไปหมดแล้วไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจจะมีแต่ความอิ่มความพอมีแต่ความสุขตลอดเวลา ไม่มีความหิวไม่มีความต้องการอะไรนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่สรมโลกทั้งหลายมองไม่เห็นกันเพราะถูกความหลงครอบงำจิตใจหลอกให้คิดว่าถ้าได้ทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขกันแต่ไม่ได้คิดต่อไปว่ามันเป็นสุขแบบไหนสุขเดียวเดียวรู้สุขทาวลและเวลาที่ต้องสูญเสีย สิ่งที่ได้มานั้นความสุขที่ได้มานั้นหายไปไหนแล้วอะไรมาแทนที่เวลาสูญเสียสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นเวลาเราสูญเสียคู่รักของเราไปสูญเสียสามีสูญเสียภรรยาไปเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกสุขหรือเรารู้สึกทุกข์เวลาเราอยู่กับสามีกับภรรยาเราก็รู้สึกมีความสุข แต่พอเราเสียภสามีเสียภรรยาไปความสุขนั่นก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทันทีนี่คือสิ่งที่คนฉลาดจะเห็นกันแต่คนไม่ฉลาดจะมองไม่เห็นเพราะจะมองแค่ระยะสั้นๆไม่มองระยะยาวมองเพียงแต่ว่าเห็นอะไรชอบขอให้ได้มาแล้วจะมีความสุขคิดเพียงแค่นี้ แต่ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ได้มานั้นมันจะอยู่กับเราไปนินสักเท่าไหร่มันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าหรือว่าสักวันหนึ่งไม่เขากับเราก็ต้องจากกันไปเวลาจากกันนั่นเป็นอย่างไรยังสุข ด, ดีอยู่หรือเปล่าหรือทุกข์แล้วนี่คือสิ่งที่คนเจลาจะมองกันถ้ามองเห็นความทุกข์ที่จะตามมาก็จะไม่อยากได้อะไร เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นให้ความสุขตอนต้นแล้วก็มาให้ความทุกข์ตอนปลายเสมอทุกเวลาที่ต้องพัดพากจากกันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาอย่างรอบครอบจนทำให้พระองค์นี้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเพราะว่ามีอะไรเป็นอะไรไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดไป แต่ถ้ามันจะมีมันจะเป็นของมันเองท่านก็ไม่ท่านก็ไม่รังเกียจถ้าไปรังเกียจมันก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งถ้าเขาแต่งตั้งให้เป็นนู่นเป็นนี่ถ้าเราไม่มีความอยากเป็นเขาตั้งก็ปล่อยเขาตั้งไปเราก็ไม่ต้องไปดีใจกับการแต่งตั้งนั้นถ้าเราไม่ดีใจเวลาเขาปลดเราออกเราก็จะไม่เสียใจ แต่ถ้าเราไปดีใจว่าเขาแต่งตั้งให้เราเป็นอธิบดีเป็นหัวหน้าเป็นอะไรพอเขาตรวจเราออกเราก็จะเสียใจถ้าเราดีใจก็แสดงว่าเรามีความอยากได้สิ่ง น, นั้นแต่ถ้าเราไม่มีความดีใจก็แสดงว่าเราไม่มีความอยากได้สิ่ง น, นั้นเมื่อไม่มีความอยากได้เวลาเสียไปก็จะไม่เสียใจนี่คือเรื่องของใจของพวกเรา ทุกอยู่ที่ความอยากของพวกเราเองไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มาหรือเสียไปถ้าคนไม่มีความอยากแล้วได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ไม่ดีใจพอจะเสียอะไรไปมากน้อยเพียงไรก็จะไม่เสียใจนี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยาก เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปแล้วนำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังหลงติดอยู่กับความสุขที่เกิดจากความอยากต่างๆแล้วก็ต้องมาร้อ ง, องห่มร้องไห้มาเครียดมาวุ่นวายกับการคอยดูแลรักษากับการสูญเสียของสิ่งที่เราหามาได้ด้วยความอยาก พระพุทธเจ้าจึงสอนมาให้พวกเรามาละความอยากกันเช่นการทำทานนี่ก็เป็นการละความอยากอยากได้เงินมากๆก็เอาเงินที่ได้มานี่ไปทำบุญเสียถ้าทำบุญบ่อยๆต่อไปมันก็ไม่อยากได้เพราะว่าได้มาแล้วก็ต้องเอาไปให้คนอื่นถ้าได้มาแล้วเอาไปให้คนอื่นก็อย่าเอามาดีกว่าเหนื่อยไปเปล่าๆแต่ถ้าให้มาแล้วเอามาเก็บไว้หรือเอามาใช้เอง มันก็จะเกิดความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นเวลาที่เราได้เงินมามากเกินความต้องการเกินความจำเป็นอย่าเก็บเอาไว้เอาไปทำบุญเอาไปแจกให้คนที่เขาขาดแคลนช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือสังค ม, มแล้วจะทำให้เราตัดความอยากมีเงินมีทองได้ อยากรล่าอยากรวยได้ความอยากนี้จะทาให้เราน้อย อ, อกน้อยใจได้เวลาเราไม่รล่าไม่รวยหรือว่าเวลาเรารวยกลับไปเห็นคนที่เขารวยกว่าเราเราก็จะน้อย อ, อกน้อยใจอยากจะรวยกว่าเขาอยากจะรวยเท่าเขาความอยากเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราทําทานกันทําทานเพื่อเราจะได้ไม่อยากรวย ไม่อยากมีมากเกินความจำเป็นถ้าเรามีมากเกินความจำเป็นก็เอาไปทำทานเลยตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่บุญที่เราได้จากการทำทานนี้แล้วเอาไปได้บุญนี้คือทรัพย์ภายในที่จะทำให้เราเป็นเศรษฐีในโลกของจิตวิญญาณในโลกทิพย์เนี่ยใจของเราเวลาแยกจากร่างกายก็จะไปอยู่ในโลกทิพย์ แล้วโลกทิพย์นี้ก็มี2 อ, อแห่งสองส่วนโลกทิพย์ที่มีความสุขและโลกทิพย์ที่มีความทุกข์โลกทิพย์ที่มีความทุกข์ก็คือที่ไปของพวกที่ไม่มีบุญไม่ได้ทําบุญกันไปตัวปเปล่าเปล่าก็จะไปแบบหิวโหวยจะไปแบบขอทานจะต้องมาคอยรอรับส่วนบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่แต่ผู้ที่ทําบุญอยู่เรื่อยๆ จะมีซับภายในติดตัวไปก็จะไปอยู่ในฟากของของโลกทิพย์ที่มีแต่ความสุขพวกที่อยู่ในฟากนี้เรียกว่าเทวดาทั้งหลายเทวดาอินพรหมพระอริยเจ้าทั้งหลายนี้ท่านอยู่ในฟากนี้ฟากที่มีแต่ความสุขส่วนพวกที่ไม่ทําบุญพวกที่มัวแต่ทําบาปนี้จะไปอยู่ในฟากที่มีแต่ความทุกข์พวกนี้เราก็ เรียกว่าพวกเปลยพวกเดรัจฉานพวกสุนรกายพวกสัตว์นรกนี่คือที่ไปของใจของพวกเราหลังจากที่ตายไปแล้วขึ้น อ, อยู่ที่ว่าเราได้ทำอะไรไว้ถ้าเรายังไม่กำจัดความอยากเราก็จะพยายามทำสิ่งต่างๆให้มาได้ตามความอยากเราก็จะไม่ชอบทำบุญและเราก็จะชอบทาบา เพราะการทำบาปจะทำให้ง่ายก่อนการได้สิ่งต่างๆที่เราต้องการนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้อะไรเราก็จะชอบทำบุญแล้วเราก็จะไม่ชอบทำบาปเมื่อเราไม่ชอบทำบาปเราชอบทำบุญเวลาตายไปเราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือที่โทษของการมีความอยากหรือไม่มีความอยากถ้ามีความอยากแล้ว มันจะฉุดลากให้เราลงต่ำถ้าไม่มีความอยากแล้วเราจะขึ้นสูงขึ้นสูงไปเรื่อยๆจากสวรรค์ชั้นเทพก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพรหมก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพระอริยเจา้าสวรรค์ของพพระพุทธเจา้าสวรรค์เหล่านี้เกิดจากการมีความอยากน้อยลงไปตามลำดับยิ่งมีความอยากน้อยเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปสูงเท่านั้นขึ้นถ้าไม่มีความอยากเลย กไปถึงขั้นสูงสุดเลยก็คือพระนิพพานนี่คือคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงนำเอามาสั่งสอนพวกเราที่ยังหลงอยู่กับการทําตามความอยากต่างๆให้เลิกทําตามความอยากให้มาทำทำบุญทํากุศลกันโดยการเอาเงินเอวทองที่เราอยากจะซื้อน่ซอนซื้อนี่มาทําบุญกันแล้วก็รักษาศีลเพื่อป้องกันไม่ให้เรา ไปทำบาปตามความอยากแล้วก็มานั่งสมาธิทำใจให้สงบหยุดความอยากให้ได้เต็มที่เลยถ้าจิตสงบแล้วใจจะไม่มีความอยากชั่วคราวแล้วถ้าออกจากสมาธิมาความอยากที่ถูกสมาธิกดเอาไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องใช้ปัญญาเตือนใจว่าอย่าไปทำตามความอยาก เพราะการทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขการไม่ทำความอยากจะทำให้เราอยู่เฉยๆได้แต่ถ้าเราทำตามความอยากเราก็ต้องดิ่นหล่นไปเรื่อยๆนิ่นล่นตามความอยากต่างๆได้เท่าไหร่ก็ไม่พอต้องดิ่นไปตายไปก็ต้องไปนิ่นไปเกิดใหม่แต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะอยู่เฉยๆได้อย่างสบาย ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือจุดหมายปลายทางที่พุทธเจ้าได้เดินไปถึงด้วยการกำจัดความอยากต่างๆด้วยการใช้ทานศีลสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือถ้าพวกเราใช้ทานศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือเราก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราได้ แล้วพวกเราก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอให้ท่านทั้งหลายมีความแน่วแน่มั่นใจต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความสอนที่แท้จริงที่จะนําความสุขมาให้กับเราอย่างถาวรและจะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้อย่างถาวรการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณภาษีลัตตนาตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณสุขะพาระโดยทั่วหน้ากัรเทอ <c oughs>